บทที่131ทั้งหมดเฝ้าแลดูการเคลื่อนไหวไปตามพื้นน้ำของแง่ทรายด้วยอาการปกติธรรมดายกเว้นพลานใหญ่คนเดียวซึ่งจับสังเกตดูทุกอิริยาบถแห่งการก้าวย่างไปนั้นตาไม่กระพริบร่างสูงใหญ่ลุยน้ำไปอย่างแผ่วเบาเหมือนจะพยายามให้น้ำที่ปกคลุมพื้นที่อยู่นั้นได้รับการกระชอกสะเทือนน้อยที่สุด ค่อยๆเลาะลัดเหยียบย่องไปตามกลุ่มสาหร่ายและพืชที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำโดยระวังไม่ให้กระทบหรือเหยียบลงไปในใบของเจ้าบัวประหลาดที่กางแผ่เป็นกระด้งอยู่ใต้น้ำแง่ทรายห่างฝั่งออกไปเป็นลำดับจากการทรงตัวของอดีตร้อยโทรกองโจรกรเรียงพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดว่าพื้นเป็นโคลนเหลวจริงๆดังที่รพินคาดไว้ ในระดับน้ำที่ตรงชายฝั่งตื้นๆลึกเพียงเขา่าแต่เมื่อห่างออกไปสู่ตรงกลางก็จมลงไปเกือบถึงระดับเอวของคนร่างสูงเช่นแง่ใสา่เจ้าคู่ปรับของเขาเดินลุยน้ำเลี้ยวเลาะไปมาโดยหลีกใบบัวเหล่านั้นชัดนิดที่ไม่ได้หันกลับมาดูพักพวกอีกเลยจนกระทั่งในที่สุดมันก็บรรลุถึงดินฝั่งตรงข้ามที่หมายต า, วายไว้ปีนขึ้นไปอย่างสงบแล้วลงนั่งกอดเขา่า ส่งยิ้มร่ามาให้พร้อมกระโบกมือเป็นสัญญาณเหมือนจะเตือนให้ทุกคนเดินตามมาโถสบายมากไม่เลือกอะไรนักหรอกช ย, ยันร้องออกมาเบาๆเมื่อเห็นแง่ทรายเดินไปถึงฝั่งตรงข้ามได้โดยไม่มีอุปสรรคอะไรนักเท่าที่เขาเห็นแต่สําหรับประพินไพรวันเขาไม่ได้มีความรู้สึกอย่างเดียวกับช ย, ยันหรือทุกคนในขณะนี้เลยเพราะพอจะจับคลิสมองเห็นความในอะไรบางอย่างได้แล้ว จากการสังเกตการเดินของแง่ทรายเมื่อครู่นี้ดังนั้นก่อนที่ใครในคณะจะก้าวลงไปเป็นคนที่สองเขาก็ยกมือขึ้นเป็นสัญญาณห้ามไว้อีกครั้งคราวนี้เองที่เชิถาเริ่มจะสำเนียกได้กับความผิดสังเกตบางประการหันมาจ้องหน้าขมิงมีอะไรเหรอผู้กองจอมพลานเต็มไปด้วยความอึดอัดลำบากใจยังไงพี่กุขยับปากเหมือนจะพูดอะไรออกมาบางอย่าง แต่แล้วก็ระงับความคิดนั้นไว้ซะเพียงแต่บอกว่าเปล่าครับก็ไม่มีอะไรหรอกคือผมกำลังจะบอกว่าผมจะเป็นคนเดินนำหน้าไปเองขอให้ทุกคนเดินตามหลังผมในลักษณะเรียงเดี่ยวแล้วก้าวตามผมไปทุกฝีก้าวย่างอย่าเดินแยกห่างหรือผิดเส้นทางไปทางด้านอื่นแม้แต่องศาเดียวเรามาทำความเข้าใจกันซะก่อนในข้อนี้นะครับทาไมอะ ดารินกชั ย, ยันตาลุกโพรงถามเร็วปรือด้วยความแปลกใจมาเป็นเสียงเดียวกันแต่ก็ไม่สามารถจะจับประหัสอะไรได้จากสีหน้าอันเคร่งขรึม น, นั้นเขาตอบเหมือนจะตัดบทมาว่าก็เกี่ยวกับร่องน้ำครับผมเห็นแงซทายเดินเป็นตัวอย่างไว้ให้ดูก่อนแล้วผมเองก็จะเดินตามรอยของมันเพื่อให้พวกเราทุกคนตามไปด้วยถ้าผิดออกนอกเส้นไปมันอาจจะเป็นร่องน้าลึกทาให้ลุกคลักหรือสัมารสเปียกใช่เปล่า ราจบก็หันไปส่งภาษาบอกทำความเข้าใจกับพวกพรานพื้นเมืองทุกคนในความหมายอย่างเดียวกับที่ได้บอกกับคณะเจ้านายของเขาไปแล้วทุกคนพยักหน้ารับทราบภายหลังจากย้ำสั่งจนแน่ใจดีแล้วเราพินก็ขยับจะ ก, ก้มลงแบกคารหาบของแง่ทรายที่คู่กับขยินขึ้นไหลแต่มาเรียเข้ามาตบแขนไว้ซะก่อนบอกว่าไม่ต้องรอกไพวันฉันจสางปลามาหาบของคู่กับขยินแทนให้ เอาเป็นว่าคุณนะทำหน้าที่เดินอย่างเดียวก็แล้วกันจะได้ดูรอยที่แงซายล่วงหน้าไปก่อนได้ถนัดหน่อยพ่านใหญ่พยักหน้าอย่างว่าง่ายมาเรียส่งภาษาบอกความกระส่งปาเจ้าจต้องสูงไม่บิดพลิ้วหรือรังเกียจลังงอนใดๆทั้งสิน้นแม้ว่าตนเองจะมีสัมภาระตาหากของมารียสะพายอยู่ก่อนแล้วแต่ก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงอะไรนะักในการที่มันจะแบกคานราบคู่กับขยินอีกอย่างน้อยก็ช่วยระยะเพียงแค่เดินผ่านพื้นน้ําก่อนขึ้นฝั่ง เมื่อเห็นว่าทุกคนเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วรพินก็ก้าวลงสู่พื้นเบื้องล่างอย่างระ ม, มัดระวังเคลื่อนช้าๆไปเบื้องหน้าตามรอยเท้าที่แงซายเหยียบย่าไว้ก่อนแล้วจากร่องน้ําขุ่นที่ทิ้งไว้ให้เห็นโดยไม่ยอมก้าวผิดแนวไปเลยแม้แต่องศาเดียวทั้งหมดทยอยกันก้าวลงและตามหลังเขาเป็นลําดับทีละคนภายใต้กําหนดวงการของเชษฐาผู้เริ่มจะรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากนยังไงบอกไม่ถูก เขาคู่ของจันกระบุนคำตามหลังพรานใหญ่มาเป็นอันดับสองโดยมีชายันขั้นถัดมาก็เป็นเกิดและเสยขั้นโดยมาเรียคู่หาบสุดท้ายเป็นขยินและสางปลาโดยมีดารินเดินตามและตัวท่านหัวหน้าคณะเองคุ้มระวังอยู่ท้ายขบวนคอยกล่าวเตือนให้ทุกคนระมัดระวังเดินตามรอยของพรานใหญ่ไวอย่างปวดขันที่สุดแม้จะยังไม่อาจเข้าใจอะไรได้แต่สังหรโดยสัญชาตญาณของทุกคนก็มีหยุดตรงกันหมด ในข้อที่ต้องพยายามเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนั้นไปชนิดระวังตัวแจ่เหมือนยอกเพราะเห็นระพินซึ่งเดินอยู่เบื้องหน้าเป็นตัวอย่างอยู่แล้วพรานใหญ่เดินรอยอยู่ตลอดเวลาและคอยเลี้ยวหลังกลับมาดูใช้สัญญาณมือชี้เตือนให้ผู้ที่ติดตามมาเบื้องหลังของเขาเดินทับรอยอย่างถูกต้องโดยไม่ประมาทต่างตระหนักได้ดีในขณะที่เท้าเหยียบสัมผัสลงไปยังพื้นเบื้องล่างว่าโคลนเหลวข้างใต้ ทำให้ต้องเหยียบลึกลงไปอีกไม่ต่ำกว่าฟุตจนระดับน้ำข้างบนท่วมถึงเอวกันทุกคนพวกหาบของต้องยกหาบสูงสุดช่วงแขนป้องกันไม่ให้สัมภาระย่อนลงถึงน้ำในขณะที่ฝ่ายนายจ้างทุกคนก็ต้องถือไรเฟิลชูขึ้นไม่ต้องรีบครับช้าๆก็ได้สงตัวให้ดีนะครับอย่าเสียหลักเซออกนอกทางเช่ทุกก้าวก่อนที่จะถอนเท้าขึ้นจากโคลน หาหลักให้มันคงซะก่อนนะครับพรานใหญ่ร้องเตือนมาเบาๆตลอดเวลาสองหรือสามครั้งที่ดารินถอนเท้าขึ้นจากที่จมโคลนเมื่อจะ ก, ก้าวต่อไปแต่ก็เสียหลักจะเซยออกนอกทางโชคดีที่เชิฐารู้เชิงและคอยเดินคุมอยู่แล้วจับพยุงน้องสาวไว้ได้ซะ ก, ก่อนไม่ให้หล่อนย่ำออกนอกลูกทางแล้วค่อยๆประคองกันไปชายันกาเรียกบูดวิดอยู่หลายครั้ง ต้องหยุดพยุงตัวหาสมดุลก่อนที่จะถอนเท้าขึ้นแต่ละครั้งการเดินข้ามฝันทั้งขบวนคราวนี้ดูเหมือนจะใช้เวลานานกว่าแง่ทรายที่ล่วงหน้าไปก่อนอย่างแคล่วคล่องถึงเท่าตัวในที่สุดอีก11อคนที่ตามเบื้องหลังก็บรรลุถึงฝั่งที่แง่ทรายรออยู่ก่อนแล้วโดยสวัสดิภาพเปียกบอนโชคน้ำกันไปครึ่งตัวใครก้าวขึ้นสู่ฝั่งก่อน ก็หันกลับมาคอยช่วยฉุดอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ทยอยติดตามมาถึงภายหลังจนกระทั่งขึ้นมายืนทักสลัดน้ำกันอยู่บนฝั่งได้ทั้งหมดพร้อมกระถอนใจกันอย่างโล่งอกดารินทำหน้ามุ่ยอึดอัดใจที่การเกงเดินป่าของหล่อนเปียกน้ำทำให้รัดรูปแนบเนื้อแทบจะสังเกตเห็นส่วนนูนและวาวได้ทุกสัดส่วนหันหลังให้กับทุกคนยกเท้าข้างหนึ่งยันไวบนรากไม้ แล้วก้มลงใช้มือทั้งสองรีดน้ำที่อมชุ่มอยู่ออกจากตะโพกกางเกงลงไปจนถึงปลายขาบุนอุบอิบในลำคอมาเรียก็ขึ้นเป็นรูปร่างชัดเจนกว่าซะอีกเพราะอวบใหญ่กว่าแต่แมมสาวไม่สนใจกับตนเองเท่าใดนักเพียงแต่สลัดน้ำไล่สลัดขาไล่น้ำออกไปเท่านั้นสิงช ย, ยันไม่าวจะกระซ้าเพื่อนสาวมาว่านรวจ ด, ด้วยทั่ว น, น้อยไปิงเข้าไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ บ้าคนกลัวปริงหันมาร้องเสียงแหวอย่างขวัญเสียพูดอะไรก็ไม่รู้คนจิงใจไม่ดีอยู่ด้วยรู้งี้ยอมเดินอ้อมเสดีกว่าไกลหน่อยก็ยังดีไม่น่าจะเลือกทางเดินลำบากแบบนี้เลยแล้วหล่อนก็ดึงชายเสื้อที่ตามปกติสอดไว้ในขอบกางเกงปล่อยชายลงมาปิดให้ต่ำกว่าระดับสะโพกซะปล่อยให้รับพินไครวันโล่งอกไปด้วยเงียบ แม่ดอกฟ้าของเขารัดกุมอยู่ในถ้ำกลางชายชะกันในไพรถื่นเช่นไรและควรจะหาทางสกัดกัน้นป้องกันเช่นไรบ้างโดยไม่ทรมานความรู้สึกหรือยุยั่วจนเกินไปนักตรงข้ามกมามเรียผู้ไม่เคยอินังขังขอบกลับจะชอบท้าทายซะด้วยซ้ำแล้วก็เป็นจริงดังว่ากลุ่มพรานพื้นเมืองของเขาทั้งสี่คนรวมทั้งขยินพากันลอบชำเลืองเป่งมาเป็นตาเดียวจนช ย, ยันก็รู้สึกได้ รีบถอดเสื้อแจ็คเก็ตฟิลตัวยาวของเขาส่งไปให้กระซิบบอกนี่คุณใส่คลุมซะใส่ทำไมร้อนจะตายไปแมมสาวหน้าตื่นพาซื้อส่งเสื้อคืนให้เขาอาดีตนายทหารปืนใหญ่จุปากจึกๆหน่าทนร้อนอุ่นหน่อยดีกว่าที่จะให้อีกหลายหลายคนพวกเราร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายนี่คุณจะให้พวกนั้นคลั่งตายได้ออยังไงนะ ฉันไม่เข้าใจอะ่ะอยู่เมาส์ออฟวีนัสแต่มันเด่นชัดขึ้นมาเหลือเกินแทบจะวัดขนาดกันได้ทีเดียวแหละมาเรียลืมตาโตอย่างตกใจหันขวับไปสังเกตดูพวกพรานพื้นเมืองที่จับกลุ่มกันอยู่เห็นแต่ละคนเหล่านั้นจ้องเป้งมาที่หลอนเป็นตาเดียวแต่พอสบตาทุกคนก็มือหลบไปหมดมีแต่ตาเท่าบุญคำคนเดียวที่ยังจ้องหน้าตาเฉยแดมิ แม่สาวส่งสล่างสบดแล้วเอาเสื้อแจ็คเก็ตฟีนของชายยันสวมคลุมตัวโดยเร็วชายที่ยาวต่ำลงไปช่วยบังไปจนถึงกึ่งกลางขาอ่อนช่วยวิกฤตการณ์ผ่อนคลายลงสักวันหนึง่งจิ้นลิงแก่สบะบดเดินตัวนั้นหลอกปีนต้นไม้ดูสักทีึลัวจะตกลงมาตายก่อนเท่านั้นประโยคหลังหล่อนพูดลอดไรฟันออกมาเหมือนจะกล่าวกับตนเอง แต่ชายันได้ยินถนัดท่วงมาว่านี่คุณอย่าคิดลองดีกับคนแก่หนังเหนียวนั่นดีกว่านะขืนทายแกปีนต้นไม้แกก็ปีนขึ้นไปเก็บลูกกินอร่อยหมดทั้งต้นเท่านั้นพนันกันก็ได้ว่าอย่างดอร์ฮอฟมันสามีเก่าของคุณนะเทียบแกไม่ติดรอกไม่รู้หรอกเลยคุณว่าตอนอยู่หนองน้งนําแห้งอ่ะตานี้เนะี่ะมีเมียสาวๆคราวเดียวกันตั้งห้หกคนทุกคนติดแกแจทั้งทั้ ง, ท, งที่แก่ๆอย่างนี้แหละ ถึงคุณก็เหมือนกันละเมอย่าทำเป็นอวดดีไปไม่ติดระพินสักคนเดียวป่านนี้ตาบุญคำนะ่ะปล้ำเอาคุณเป็นเมียเป น, นายแล้วก็ลองดูสิจะถี่ไปตาจะถี่ไปชักตาตั้งเลยมาเรียหัวเรา <c oughs> แตกดูก็เก่งที่หนึ่งลูกไม้สับ ป, ปะเดินก็มากเกินคนแต่เจ้านายเองสิกลับไม่เป็นเรื่องไม่เอาไหนเลยเสียแรงเป็นคนหนุ รู้ได้ไงว่าเขาไม่เอาไหนเคยแล้วเหรอแมม่สาวเงียบกริบไปในทันทีนั้นยักไหลดาริงกำลังปลดเข็มขัดปืนสั้นที่ถอดออกคล้องคอไว้จะเอาลงมาคาดเอวตามเดิมพอดีพรานใหญ่เดินเฉียดหน้าเข้ามาใกล้จึงมีโอกาสถามข้อข้องใจเดินลุยไย่กันมาถึงฝั่งนี้เนะี่ยฉันสังเกตดูก็ไม่เห็นมีอะไรน่าจะเป็นอันตรายสักอย่างนี่ก็ทําไมคุณถึงให้พวกเราเดินกันอย่างระวังตัวแฉ หายใจไม่ทั่วท้องกันถึงอย่งงางนั้นด้วยละ่ะก็โชคดีมากสำหรับเราทุกคนแล้วไม่ใช่หรือครับที่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอีกฝ่ายกลับย้อนคำมาเรียบเรียเอ๊ะเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมถึงมารวนกันละ่ะไม่ได้รวนครับก็เมื่อกี้คุณชายก็ถามผมแบบนี้เหมือนกันแล้วผมกำลังจะพิสูจน์อะไรบางอย่างซึ่งก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างที่ผมระแวงหรือเปล่าปล่าวจบ ระพินก็เรียกแง่าสายเข้ามาชี้ไปที่ขอนไม้เขื่องขนาดโคนขาผุพังเหลืออยู่ท่อนยาวประมาณสองฟุตซึ่งวางกลิ้งอยู่บนเนินดินแง่าสายไปแบกขอนไม้นั่นมาที่แง่าสายมองตามที่เขาชี้บอกแล้วหันมามองหน้าอีกครั้งเหมือนจะให้ทูลคำสั่งพอเมื่อพรานใหญ่ย้าในคำสั่งเดิมจึงเดินไปอุ้มขอนไม้มีน้าหนักนั้นเข้ามาดารินแปลกใจร้องเ บ, บาๆว่า คุณจะทำยังไงอะแต่แล้วก็เงียบเสียงไปเมื่อพรานใหญ่ยกมือขึ้นโบกสัญญาณให้สงบปากเฉยปะครับคุณหญิงเดีย๋ยวเพิ่งถามอะไรคอยดูเอาก็แล้วกันเมื่อแง่ายเดินอุ้มก่อนไม้มาถึงจอมพรานก็พยักหน้าลงไปยังพื้นน้ำที่ลุยข้ามกันมาแล้วบอกต่อไปว่าเอาละคราวนี้ทุ่มลงไปในน้ำนั่นทุ่มลงไปถูกใบบัวที่แพอยู่ใต้น้าที่เห็นนั่นแหละนะ หรือจะกระโดดลงไปให้กระทบใบนั่นฉันก็ไม่ขับเร็วแงซ า, ายเบิกตาจ้องเขานิดนึงใบหน้านั่นดูเหมือนจะซ่อนยิ้มไว้ยกขอนไม้ขึ้นชูสูงเหนือสีสะด้วยมือทั้งสองแล้วทุ่มโครมลงไปตามคำสั่งลงไปยังผิวน้ำตรงบริเวณที่มองเห็นใบพืชประหลาดกลางแผ่เหมือนบัวกระดงอยู่ใต้ผิวชิดดินนั้นทันทีตามคาสั่งทันทีที่ขอนไม้อันหนักอึ้งกระทบน้ำแต่กระจายตูมใหญ่ แล้วจมดิ่งลงไปกระทบใบที่กลางแผ่เป็นรัศมีวงกลมอยู่ปรากฏการประหลาดก็พลันปรากฏชัดขึ้นกับทุกสายตาที่จ้องมองชนิดที่ทำให้ขนหัวแทบทุกเส้นชันขึ้นทั้งสีสรักร้องอุทานออกมาด้วยความตรโกตกใจใบสีเขียวที่กลางแผ่อยู่นั้นตวัดขอบหุบหอเอาขอนไม้นันไว้อย่างรวดเร็วและพร้อมกันมันก็รูดตัวของมันเองจากลักษณะที่หุบนั้น ดึงทั้งใบที่หอและทั้งขอนไม้หดหายลงไปใต้ดินเบื้องล่างในทันทีแทบจะมองไม่เห็นร่องรอยว่าก่อนหน้านั้นเพียงอึดใจเดียวมีใบของมันกลางบานอยู่ทั้งคณะยืนตะลึงพลึงเพลิดกันไปหมดจ้องตาค้างไปชั่วขณะเหมือนถกูกสาบเป็นไปได้ยังไงนี่ไม่เข้าใจเลยคุณพระช่วยอะไรกันดารินครางออกมาแทบไม่มีเสียง รพินไพรวันไม้มริมฝีปากนิดหนึง่งไม่พูดคำใดในขณะนั้นทั้งสิ้นนอกจากมองดูหน้าคณะนายจ้างของเขาทุกคนและชํำเลืองเงียบเงียบมาที่แง่ใสซึ่งยืนด้วยสีหน้าอันปราศจากความรู้สึกให้อ่านออกชัยันทำปากบุบมิดเหมือนจะสวดอะไรที่ใครฟังไม่รู้เรื่องอยู่ในลำคอมาเรียนนั้นยกมือขึ้นขยี้ตาสะบัดหน้าแรงแรงแล้วลืมขึ้นจ้องไปที่เก่าอีกครั้ง ส่วนพวกพันพื้นเมืองทุกคนพากันถอยกรูดออกมาห่างริมฝั่งด้วยสัญชาตญาณสีหน้าของต่ละคนราวกับถูกผีหลอกเชิดาหันไปทางแง่ทรายจ้องหน้าขม็งแล้วออกคำสั่งเฮ่ตำว่าไหนลองอีกทีที่แง่ทรายลองให้เห็นชัดๆอีกทีดิแง่ทรายหมุนตัวกลับเดินไปหาท่อนไม้ใหญ่มาได้อีกท่อนนึงแล้วเดินแบกเข้ามาหมายตาไปยังใบประหลาดนั้นอีกใบหนึง่ง พร้อมกับทุ่มโคลงลงไปให้กระทบใบมันอีกครั้งปรากฏการพิสดานอย่างที่ทุกคนคิดไปว่าตาฝาดเมื่อครู่ก็พลันสําแดงให้เห็นชัดกับสายตาเป็นคำรบศอใบพืช น, น้มามหาการที่ดูว่าไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิษภยัยหุบหอคอนไม้แล้วดูดลากชุดกระชากหายไปในใต้ดินโคลนอีกมันจะหดตัวดึงเหยื่อลงไปลึกสักเท่าใดไม่สามารถจะทราบได้ แต่ก็ตามหายลงไปจากระดับพื้นดินใต้น้ําสู่พื้นโคลอนอันคํานวณไม่ได้เบื้องล่างสุดบรร ล, ลัยลัซวะนี่เราผ่านมันมาได้ยังไงนี่โดยไม่ถูกมันเขมือเลากหายไปใต้บาดาลอย่างไอสองขอนไม้สองอันนั้นชายันครางอ๋อยทําหน้าเหมือนจะร้องไห้ทุกคนหน้าซีดเปื่อเชิดถากระเดือกน้ำลายลงคออย่างยากเย็นหันมาทางพรานใหญ่ซึ่งยืนหน้าเครียดอยู่ รพินนี่ปแปล ว, ว่าคุณรู้ตัวล่วงหน้าใช่ไหมว่าไอใบบัวผีหรือดอกลำโพงใต้น้ำชนิดนั้นน่ะมันจะเล่นงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปกระทบมันเข้าแบบเดียวกับต้นไม้กินคนที่เราเจอกันมาแล้วพรานใหญ่ยกแขนขึ้นเช็ดเหงื่อผมก็เพียงแต่สงสัยเท่านั้นเองครับคุณชายในตอนที่เห็นลักษณะของมันครั้งแรกแต่แล้วก็แน่ใจถึงเก้าสิบเปอร์เซนตว่ามันกินสัตว์เมื่อทดลองให้งแงซายเดินผ่านมันมา ถ้าทุกคนสังเกตให้รอบคอบสักหน่อยจะเห็นได้ทุกระยะว่าเจ้าตัวดีของเรานี่มันเดินอย่างฉลาดที่สุดโดยหลีกลบใบมรณะเหล่านี้ระวังไม่ให้กระทบเลยผมถึงสั่งไว้นักหนาครับว่าอย่าให้ใครเดินเฉียดเข้าไปกระทบมันเป็นอันขาดผมเองก็ต้องยึดเส้นทางของแง่ทรายมาทุกฝีก้าวแล้วเขาก็หัวเราะออกมาหึหในลาคอผมนึกแล้วไม่มีผิดถึงได้ใช้มันทดลองเดินนามาก่อน แล้วกันนี่ก็แปลว่าคุณรู้หรือสงสัยอยู่แล้วทีว่าใบาบัวชนิดนี้นะ่ะกินสัตว์แล้วคุณก็แกล้งใช้แงซายเดินนําล่วงหน้ามาเป็นอะไรแงซายจะได้ตายก่อนใช่ไหมดารินพูดเพราะความรู้เท่าไม่ถึงกันแต่เชิดถาและชายยันเพียงได้ยินพรานใหญ่ผููเช่นนั้นก็หยั่งความในได้ทันทีวุ่ยวายอีกแล้วเนอยไม่รู้อะไรก็เฉยเฉยซะเถอะถึงยังไงเธอก็ไม่มีวันรู้จักแงซายดีไปกว่ารพินหรอก ชยันสวนมาโดยเร็วแล้วหันขวับไปทางเจ้าคนใช้พิเศษซึ่งยืนหน้าตายอยู่พลางโคลงศีรษะอย่างระอานี่แงซทายฉันไม่อยากจะพูดอะไรกับแกเลยจริงๆวะ่ะเจ้าว่าแกดีก็แสนดีนะไอเจ้าว่าร้ายก็มาหาร้ายทีเดียวก็อยากจะลองดูใช่ไหมลนะ่ะว่าแกผ่านพ้นปลอดภัยมาถึงฝั่งนี้ได้แล้วผู้กองก็จะนำคณะของเราทุกคนผ่านตามแกมาได้หรือไม่ แบบเดียวกับตอนผ่านโดงไม้กินคนครั้งนั้นนี่พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะชยันก็ทำไมเธอไม่คิดบ้างล่ะว่าระพินบังคับไปแง่ทรายนำหน้ามากกน ท, ทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันมีอันตรายดารินป้องกันองครักภพิเศษของหล่อนเต็มที่สรุปก็คือทั้งระพินและแง่ทายนะ่ะตางก็รู้อยู่แก่ใจด้วยกันนั่นแหละว่าใบไม้ใต้น้าชนิดนี้นะ่ะมันเล่นงานมนุษย์สัตว์ สิ่งใดก็ตามที่ไปกระทบมันแต่สองคนก็ไม่ได้พูดอะไรให้เรารู้ได้เลย <c oughs> เป็นแต่ว่าลองอยั่งกันเองระพินต้องรู้ว่าแง่ทายก็รู้อยู่แล้วและคงมีทางหลีกเลี่ยงได้ยึงใช้ให้ล่วงหน้ามาก่อนเพื่อจะดูทางแล้วก็พาพวกเราตามมาที่หลังแง่ทายก็เหมือนกันเมื่อระพินไม่หารือไม่ถามเพ็งแต่ใช้อย่างกระทนหานาในนามาก่อนมันก็นามาตามคาสั่ง ไก่กับงูแท้ๆทีเดียวสองคนนี่พี่ใหญ่พูดถูกแล้วค่ะมาเรียบอกมาปนหัวร้อชอบใจเ้วอย่าไปสนใจอะไรเลยสองคนนี่เขารู้กันอยู่แล้วเพียงแต่มองตากันเท่านั้นฉันสั่งหอนแล้วว่าจะมีการลองวิชาอะไรกันอีกระหว่างสองคนนี่ตั้งแต่ไพวันออกคำสั่งให้แงซทายทดลองเดินนำมาก่อนเขาเป็นคนมีเหลี่ยมด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ไม่อยากจะเสียเหลี่ยมด้วยกัน ฉันทายถูกด้วยว่าตอนที่ไพรวันใช้แง่ทรายเดินนําหน้ามาก่อนนะทางแง่ทรายขัดข้องไม่ยอมก้าวลงไปเป็นคนแรกเขาก็จะเปลี่ยนทางทันทีโดยไม่บอกให้เรารู้ด้วยว่ามันเนื่องมาจากอะไรแต่ถ้าแง่ทรายเดินนําไปได้สําเร็จเขาก็จะคอยสังเกตจับเคล็ดว่ามีวิธีการผ่านไปยังไงแล้วก็ปฏิบัติตามดารินไม่ยอมไม่เหตุการณ์ผ่านไปเฉยๆเพราะข้องใจอยู่มากหันไปทางแง่ทราย จ้องหน้าเหมือนจ ะ, สะแสวงหาความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่บนใบหน้าเรียบเฉยป ก, กติกระเดียดไปทางเด๋อเด๋อื่อสื่อนั้นแล้วเล่นงาน ท, าทันทีนี่แง่ไส้เธอรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าใบไม้ใต้ น, นนะ้ำน่ะมันมีอันตรายเธอถึงได้เดินหลีกมันมาได้เดินไม่กระทบมันเจ้าคนฉลาดไปด้วยเล่ยลึกศตานายหญิงแล้วก็รู้ใน ท, ทันทีว่าตะขืนตอบหน้าตาเฉยว่าไม่รู้เป็นโดนตบแน่ เลี่ยงซะวาผมก็เพียงแต่สงสัยเท่านั้นเองนายหญิงสงสัยยังไงก็อยู่ๆผู้กองก็เจาะจงกําหนดสั่งให้ผมเดินล่วงหน้ามาก่อนคําสั่งเช่นนั้นทําให้ผมต้องคิดเพราะถ้ามันไม่มีสิ่งอันผิดปกติใดๆผู้กองคงไม่ใช้ผมไม่ลงไปเป็นคนแรกผมเห็นใบไม้ใต้น้ํานั่นท่าทางมันชอบโกนนะักสัญชาตญาณระวังภัยก็บังคับให้ผมเดินเลี่ยงออกห่างมันไปซะ ถึงแม้ผมจะขึ้นมาถึงฝั่งนี้แล้วผมก็ยังไม่แน่ใจนักว่ามันจะมีพิษสงอันใดหรือไม่แล้วก็เห็นผู้กองนําพวกเราทุกคนมาในอาการเดียวกับผมจนกระทั่งผู้กองสั่งให้ผมทุ่มขอนไม้ลงไปทดลองเมื่อครูน่นี้จึงรู้ชัดว่าถ้าเรากระทบหรือเดินไปเหยียบใบมันเข้าเราจะถูกหุบหอแล้วลากตัวจมหายตามใบของมันลงไปใต้โคลนนั่น <c oughs> คําตอบของไอ้คนที่พราวไปได้ไหวพริบ ทำไมนายหญิงไม่สามารถจะจับผิดได้ถนัดนักเพราะต้อนไม่จนร้องออกมาอย่างขัดใจว่าร้ายนักนะทั้งสองคนนั่แหละโยนใส่กันไปมาซาัทอดกันอยู่นั่นเองจะไม่รู้จะเค้นหาความผิดจากใครได้ความจริงแล้วทั้งรพินก็ดีหรือแงสายก็ดีเมื่อรู้ถึงอันตรายนี่อยู่แล้วก็ควรจะบอกให้พวกเราทั้งหมดได้รู้ไว้บ้างล่วงหน้าจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหรือหาลูกทางนี่อะไร แกล้งหลอกก็เราเดินตามมาเดินไม่รู้ตัวอะไรเลยกว่าจะมารู้ก็ถึงฝั่งนี่แล้วโชคดีเหลือเกินนะที่ไม่มีใครพลาดไปเหยียบถูกไอ้ใบผีนั่นค่ะรัพินไครวันถอนใจยาวไม่ได้มองไปทางเจ้าอาดีตร้อยโทกองโจนกระเหี่ยงคู่ปรับของเขาอีกเลยหากแต่พูดกล่าวแก้แทนให้ว่าโปรดจะถือเป็นความผิดของผมด้วยแง่ายเลยครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งผมและงแง่าย อาจเพียงแต่มีสังหรณ์ที่ตรงกันเท่านั้นสำหรับทางด้านผมสารภาพครับว่าสงสัยและระแวงใบบัวรประหลาดนั่นมากที่สุดก็เลยสั่งให้แง่ทรายลุยน้ำทดลองล่วงหน้าไปก่อนก็ไม่ใช่ว่าผมจะแกล้งให้แง่ทรายไปได้รับอันตรายก่อนคนอื่นอย่างที่คุณหญิงเข้าใจนะครับแต่ผมอยากจะลองดูว่าแงา่ทรายจะมีความระแวงอย่างผมหรือไม่และเมื่อถูกใช้ให้เดินลงไปก่อนนั้นแงน่ทรายจะมีวิธีเช่นไรเพราะคิดอยู่เหมือนกัน ว่าถ้ามันมีอันตรายแง่สายก็คงจะไม่ยอมลงหรือวิชานั้นก็ยอมบอกตามตรงว่ามันมีอันตรายลักษณะใดบ้างแต่นี่แง่สายก็ไม่พูดอะไรการไม่พูดผมก็ยังไม่อยากจะโทษแง่สายนักว่าแกล้เ ง, งียบเฉยปิดงามไว้เพราะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแง่สายรู้ชัดถึงอันตรายนั้นก่อนหรือเปล่าอาจจะเพียงระแวงอย่างผมก็ได้เมื่อเดินลงไปก็เพียงแต่เดินระมัดระวงังไม่กระทบกับใบของมันเข้า แล้วผมก็ใช้วิธีนั้นเดินนำพวกเราตามมาก็มีความผิดร่วมกันทั้งสองคนนั่นแหละดารินตอกหน้าหน้าบึง้งจะบอกให้ก็ได้ว่าใครผิดยังไงสำหรับคุณน่ะผิดในข้อที่ว่าสงสัยรืระแวงแล้วไม่ยอมบอกให้เรามีโอกาสรู้บ้างส่วนแงาซ้ายน่ะก็ผิดในข้อที่ว่าเมื่อถูกคุณชายเดินนำหน้าลงมาก่อนจังหวะนั้นก็อาจพูดบอกเราทั้งหมดได้ ว่ามันมีอันตรายอะไรบ้างอะไรนว้นแล้วแต่ใช้วิธีการเหนือเมฆข้ามหัวพวกเราไปหมดโดยการรู้ทันกันเองเฉพาะสองคนอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับคุณพาพวกเราเดินเหยียบผ่านมาบนความตายโดยไม่บอกให้รู้ตัวล่วงหน้าสักนิดหนึ่งฉันอ่านความหมายของคุณกับเงาายออกเดี๋ยวนี้เองว่าที่คุณใช้ให้แงาทายล่วงหน้าข้ามมา ก, ก่อนก็คือการสอบถามหาหรือว่ามันจะมีอันตรายอะไรหรือไม่ ส่วนเงาทรายที่เดินนำล่วงหน้ามาตามคำสั่งโดยค่อยๆหลีกเลี่ยงใบมรณนะนั่นก็เป็นคำตอบโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่าอันตรายมันอยู่ที่ไอใบมาหาการนั่นเองให้ทุกคนเดินหลบให้ดีไอวิธีส่งสัญญาณรู้กันเฉพาะสองคนโดยโทรจิตหรือใช้อากาบกิริยาแทนความหมายคำพูดแบบนั้นน่ะฉันบอกหลายครั้งเลยนะว่าไม่ชอบใจเลยทั้งคุณและเงาทรายอะ่ะทาให้พวกเราโง่กันไปหมดแล้วก็เป็นการดูหมิ่นเราด้วย มอดารินเป็นคนเอาเรื่องจริงๆต่อว่าช็อตๆๆด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอย่างไม่ลดละหล่อนกรดง่ายและมักจะถือเป็นเรื่องงุดหงิดขุนใจเสมอถ้าหากมีเหตุการณ์กินในลองเชิงอย่างใดขึ้นในระหว่างเขากะแงน่ใสซึ่งเป็นสิ่งที่หล่อนไม่พอใจทุกครั้งและมักจะใช้คำพูดที่ฉลาดด้วยเหตุผลชนิดที่อาจพลอยพาให้เชืฐาและชัยยันต้องพลอยคลอยตามเห็นจริงด้วยเสมอก็ข้อนี้แหละ ที่ทำให้พรานใหญ่อึดอัดใจนักระพินไม่ต่อลอต่อเทียงอะไรอีกเดินผักมาหยุดยืนชิดริมตะลิงจ้องมองลงไปยังใบไม้น้ำลักษณะแปลกประหลาดเหล่านั้นอีกครั้งอย่างพิจารณาดารินหันไปเล่นงานแงาสายอีกหลายคำเพราะยังหน้าเซอ่ออยู่ใกล้ๆจนพี่ชายต้องยกมือขึ้นห้ามเอาละเอาละอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาถือเป็นเรื่องสลักสาคัญอะไรนักเลยนาน้อย สรุปก็คือทั้งรพินและแง่สายเขาก็สามารถนําเราผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทุกชนิดมาได้โดยปลอดภัยก็ถือว่าเป็นใช้ได้คิดซะว่าทั้งสองคนนั้ไม่ใช่คนช่างพูดดยกันทั้งคู่ก็แล้วกันที่รพินไม่บอกให้เรารู้ตัวล่วงหน้านะบางทีจะเป็นเพราะเขาไม่ต้องการให้พวกเราทั้งหมดเกิดความลังเลขวัญเสียแล้วก็ผ่านพ้นบริเวณนี้ขึ้นมาไม่ได้ใะเปลอาเปล่ า, ลาพี่เองก็เหมือนกันถ้ารู้สั ก, ก่อนว่าไอใบเจ้ากรรมนนะัะมันดูทุกสิ่งที่ไปกระทบมันเข้า ให้จมหายลงไปใต้โคลนได้พี่ก็คงไม่กล้าเสี่ยงเดินลุยน้ําผ่านมันมาแน่ๆอย่างดีก็ย้อนกลับไม่ยอมข้ามทางนี้ละจะว่าเขาไม่เตือนให้เรารู้เลยก็ยังไม่ถูกนักระพินคอยบอกเตือนเราอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าให้ระมัดระวังเดินตามรอยเขาให้ดีที่สุดนั่นก็เป็นการบอกให้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าผิดเส้นทางของเขาออกไปมันเต็มไปด้วยอันตรายและวท่านหัวหน้าคณะก็หันไปถามแง่ทรายเรียบๆ โดยไม่เปิดโอกาสให้ทันคิดหรือตั้งตัวได้ว่าแงส า, ายสมมติว่าพวกเราคนใดคนหนึ่งขณะที่เดินผ่านกันมาบังเอิญถูกไอ้ใบบัวผีและเลนงานเราจะแก้ไขช่วยเหลือกันได้ยังไงเมื่อ น, นั้นเองเจ้าคนร้อยเล่พันไหวพริบก็พลันหลวมตัวให้แก่สุภาพบุรุษในราชสกุลผู้ฉลาดกว่าไม่ต้องกลัวหรอกครับนายใหญ่แงา่ายยังยืนอยู่บนฝั่งนี้ทั้งคน พร้อมกับสายบาดในมือถ้ามันจะฉุดพวกเราลงไปใต้โคลนแงาสายก็จะคว้างบวงไปคล้องตัวไว้แล้วรังยึดกับต้นไม้ใหญ่แถวนี้มันจะฉุดลงไปไม่ได้แล้วเราก็จะช่วยกันสาวสายบาดดึงพวกเราขึ้นมาจนได้ละครับเชิถาพยักหน้าช้าๆแฝงรอยเท่าทันทุกประการไว้ภายใต้สีหน้าเรียบปกติส่วนชั ย, ยันมองหน้าแงาสายแล้วหันไปทางดารินไน้อย คราวนี้พอจะมองเห็นชัดหรือยังว่าระหว่างพรา น, นําทางของเรากับเจ้าองครักษพิเศษคนโปรดของเธอนั่นใครมันจะน่าติกว่ากันเราพินน่ะเพียงแต่สงสัยเท่านั้นยังไม่อาจรู้แน่ได้ว่าไอใบอัปรีนะ่ะมันมีพิษสงหรือเปล่าแต่คําตอบของเจ้าเงาทายกับเชษฐาหยกหยกนี่มันก็บอกความหมายให้เรารู้ชัดอยู่แล้วว่ามันรู้ดีกว่าเราพินซะอีกรู้จนถึงวิธีแก้ด้วยแล้วก็รอที่จะแก้ไขยอยู่แล้วถ้าเราคนใดคนหนึ่งพลาด แต่ทำไมอ่ะทำไมมันถึงไม่บอกเราซะแต่แรกเธอพยายามจะหาจำเลยให้ได้ในเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอว่าใครคือคนที่ควรบอกพวกเราให้รู้ไว้ซะก่อนและคนคนนั้นก็ควรจะเป็นคนที่รู้ตื้นลึกหนาบางมากที่สุดไม่ใช่คนที่เพียงแต่นึกสังหรณ์เท่านั้นคราวนี้เห็นจะได้ตัวจำเลยแท้จริงสักทีแล้วนะเอาซะอีกชาดดีนะดารินขยับตัวแต่มาเรียนรู้เชิงปราดเข้าสกัด จับแขนไว้และฉุดห่างแง่ทรายซึ่งยืนหน้าเซ่อออกมาฉันบอกแล้วไงว่าเลิกสนใจซะเธอน้อยไม่มีใครผิดหรือถูกมากไปกว่าใครหรอกในกรณีนี้ระหว่างไครวันกับแง่ทรายถ้าเรามวแต่คิดที่ใจสองคนนี้ทำอะไรต่ออะไรเปิดเผย อ, ออกไปให้เห็นชัดในสายตาของเราพวกเราจะปวดหัวตายซะเปล่าๆความจริงเราควรจะรู้เคล็ดสองคนนี้มานานแล้ว ต่อไปไม่จําเป็นจะต้องไปคาดคั้นสอบซักอะไรให้เสียเวลาพยายามอ่านท่าทีของเขาทั้งสองคนให้ถี่ถ้วนหน่อยแล้วเราก็คงจะวินิจฉัยได้เองว่าอะไรเป็นอะไรลักษณะของใบชนิดนั้นดูกันให้ชัดๆสิดูเสียว่ามันเป็นพืชประเภทไหนปฏิกิริยาของมันแตกต่างกับพวกไม้กินคนบนบกอื่นๆที่เราผ่านมาแล้วหรือไม่เพียงใดคณะนายจ้างทั้งหมด ชวนกันย้อนกลับมาริมตะลิง่งตรงที่พรานใหญ่ยืนอยู่ก่อนแล้วรพินตื่นจากอาการไข้ครวนหนะักอึง้งเมื่อรู้สึกว่าอีกสี่คนมายืนเรียงรายอยู่ใกล้ๆเขาพวกพรานพื้นเมืองทั้งหมดบัดนี้เพิ่งจะระงับสติอารมณ์ความตื่นหนกลงเป็นปกติได้พากันค่อยๆมุงเข้ามาดูอยู่ด้วยมันเป็นอะไรกันแน่พวกกอเป็นสัตว์หรือเป็นพืช จอมพรานเต็มไปได้วยความงินงงอัดอั้นปันใจตั้งแต่ออกจากกลุมช่างเป็นต้นมาเขาไม่สามารถจะให้ความสว่างใดๆเกี่ยวกับสภาพของป่ามหาัศจรรย์แก่นายจ้างของเขาได้เลยทั้งสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พรานพบล้วนเป็นสิ่งที่ในชีวิตพรานอันโชคชนของเขาไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อนอย่าเมื่อวิกฤตการณ์เกิดขึ้นก็ใช้ไหวพริบ ป, ปฏิพานและแสัญชาติยาณอันเจนไฟของเขาเท่านั้นเป็นเครื่องแก้ไขคลี่คลาย นำทุกคนในคณะให้รอดปลอดภัยมาได้พยันตรายที่จะเกิดขึ้นล้วนมาในแบบที่ไม่ทันรู้ตัวและคาดคิดไปไม่ถึงทั้งสิ่มันควรจะเป็นพืชมากกว่าสัตว์นะครับเพราะไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองยกเว้นแต่เราจะไปกระทบเซนหรือประสาทในการหดตัวของมันเท่านั้นแบบเดียวกับเครือเถากินคนที่เราผ่านพบมาแล้วถ้าเราไม่ไปกระทบมันเข้า หรือไม่อยู่ในรัศมีที่ใบของมันจะหุบห่อเอาได้มันก็ทําอันตรายอะไรเราไม่ได้หรือถ้ามันจะเป็นสัตว์มันก็เป็นสัตว์ประเภทงอกรากติดอยู่กับดินเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้การรับรู้หรือปฏิกิริยาต่างๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อถูกกระทบสัมผัสไม่มีหูไม่มีตาไม่มีระบบคานประสาทแบบเดียวกับพวกสัตว์เซีนต่ําทั้งหลายยังไงก็ตาม ผมคิดว่าเมย์น่าจะลงความเห็นได้ดีกว่าผมผู้มืดมนจนปัญญาไปหมดสำหรับสับตว์และพืชในป่าหลวงสำรวจนี้แต่ฉันเองก็ไม่คิดว่าจะรู้อะไรดีมากไปกว่าคุณนักล็อกมารียาฮอฟมันสารภาพแต่อยากจะสันนิษฐานเท่าที่เห็นอยู่นี่นะว่ามันเป็นกึ่งสัตว์กึ่งพืชผสมกันอยู่ในตัวของมันเองดูให้ดีจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆดอกเห็ดที่บานอยู่ใต้น้ําลองดูให้ดีสิ มันหุบห่อเหยื่อเอาไว้ในทันทีที่กระทบเข้าไปในบริเวณดอกที่แผ่บานของมันแล้วดึงฉุดหายลงไปใต้ดินได้ยังไงชายันพยายามจะศึกษาความจริงให้ได้ด้วยความฉงนฉงายใจพรานใหญ่ก็ชี้ให้ดูไปที่ช่องลึกใจกลางของดอกที่บานแผ่อยู่เส้นผ่าศูนย์กลางของช่องกลางดอกขนาดใหญ่นั้นประมาณ3มฟุตช่องช่องที่เห็นเป็นรูลึกลงไปใจกลางดอกนั่นแหละครับผมคิดว่าเป็นส่วนสําคัญที่สุด มันจะต้องเป็นแนวหรือโพรงกลางของก้านดอกซึ่งฝังลงไปในดินด้วยไอ้ส่วนจะลึกสักขนาดไหนเราก็ไม่อาจทราบได้แต่ทันทีที่มีอะไรไปกระทบใบที่แผ่กลมออกไปในรัศมีรอบด้านจะทำหน้าที่หุบตวัดและมันก็จะลากตัวเองลงไปตามแกนของก้านโดยอาศัยช่องลึกใจกลางนั้นเป็นทางดึงลงไปแบบเดียวกับเรากางร่มปลายเรียวโดยหงายทางด้านล่างของร่มขึ้น พอหุบร่มเป็นแนวเส้นขนานกันคันกลางของร่มแล้วดึงลงไปเบื้องต่ำเหยื่อที่ถูกใบหุ้มห่อไว้ก็จะถูกดูดหายลงไปในช่องนั้นด้วยต่ำลงไปกว่าระดับน้ำแล้วก็ลึกหายลงไปใต้เลนเบื้องล่างอีกทีหนึง่งมันจะลากเหยื่อเคราะไรลงไปได้หรือไม่เพียงไรก็สุดแต่ขนาดของเหยื่อด้วยลำพังร่างกายส่วนสัตว์ขนาดมนุษย์พวกเราก็ไม่ต้องสงสัยเลยละ่ะวูบเดียว ถ้าช่วยกันไม่ทันก็ถูกดูดจมหายตามใบห่อของมันลงไปตามแกนของา้านทันทีถ้ามันเป็นแต่เพียงพืชที่ไม่มีเครื่องย่อยสำหรับจะเสพเป็นอาหารด้วยเราก็จะตายเพราะสำลักน้ำหายใจไม่ออกแต่ถ้ามันเป็นสัตว์กินสัตว์เราก็จะถูกบดย่อยเป็นอาหารอยู่ใต้ดินเลนต่ำกว่าระดับน้ำนั่นเองทุกคนขนลุกชันขึ้นอีกครั้งด้วยความสยองใจเมื่อนึกวาดมนโนภาพตามที่พรานใหญ่บอก ทั้งวาดเสียวขยะขแยงระคนกันจนสุดที่จะกล่าวได้พรานใหญ่นิ่งคิดอะไรอยู่อีกครู่ก็กล่าวขึ้นว่าถ้าไม่เกรงว่าจะเสียเวลาเกินไปนักเรามาลองพิสูจน์กันให้เห็นชัดออกไปได้ดีไหมครับพิสูจน์ยังไงก็หาวิธีถอนทั้งรากทั้งโคนของมันขึ้นมาดูให้เห็นชัดสักดอกเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าธรรมชาติของมัน คือพยายามจะฉุดทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบมันลงไปใต้น้ําและใต้ดินที่มันฝังรากอยู่แต่เราจะเป็นฝ่ายฉุดถอนมันขึ้นมาบนบกบ้างงัดขึ้นมาทั้งยวงเลยจะได้เห็นกันว่าก้านหรือรากที่ฝังอยู่ใต้ดินของมันน่ะมีลักษณะเช่นไรลี้ลับแค่ไหนผมคิดว่ากําลังของเราทั้งสิบสองคนถ้าช่วยกันอย่างพร้อมเพรียงก็ควรจะมีทางถอนมันขึ้นมาได้สักดอกหนึ่งนะทุกคนมองเขาเป็นตาเดียว แล้วคุณคิดว่าคุณมีวิธียังไงที่จะถอนมันขึ้นมาทั้งยวงได้เชาิาถามเสียงต่ำลึกทั้งหมดเห็นระพินไพรวันเหลือแแปลไปทางแง่สายอีกครั้งแง่สายเป็นคนเดียวของคณะในขณะนี้ซึ่งไม่ได้มายืนรวมกลุ่มอยู่ริมตะลิ่งด้วยหากแต่สุดตัวลงนั่งพักเอาแรงอยู่ที่กองสัมภาระดูท่าว่าจะไม่สนใจอะไรอีกนอกจากจะทอดสายตามองไปยังทิศทางด้านถัดไป แล้วก็เห็นพรานใหญ่ก้มลงไปคว้าก้อนดินเขืองเขืองก้อนนึงขึ้นมาคว้างไปที่ร่างที่นั่งหันหลังให้นั้นก้อนดิน อ, อน่ อ, อนๆริมตะลิงปลิวไปกระทบหลังอย่างถนัดทนันีจนเจ้าของร่างสะดุ้งโยงหันมาคนกว้างจึงพยักหน้าเรียกร่างโยงใหญ่นั้นลุกขึ้นเดินเข้ามาหาอย่างเหนื่อยเนื่อยนี่นายหญิงนะ่ะเขม่นขี้หน้าแกกับชั้นเต็มทีละเขาพูดดังๆวางหน้าปกติ เกียวกับข้อที่บางขณะฉันนิ่งส่วนแกก็ไม่พูดต่อไปนี้จะพยายามไม่นิ่งเฉยส่วนแกก็จงอ้าปากให้ทุกคนได้ยินคําพูดที่จําเป็นใชบ้างฉันเรียกแกเข้ามานี่ก็เพื่อจะบอกแกว่าเราต้องการถอนเหตุมรณะชนิดนั้นขึ้นมาสักดอกหนะึงเพื่อพิสูจน์ได้เห็นชัดว่ารูปร่างข้างใต้หรือรากของมันที่ฝังอยู่ใต้โคลนจะเป็นยังไงและฉันก็ต้องการความร่วมมือจากแก โปรดสั่งครับว่าจะให้ผมทำยังไงแกก็รู้อยู่แล้วนี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ในการที่เราจะเดินลงไปและฉุดถอนมันขึ้นมาได้ง่ายๆเหมือนถอนสายบัวฉันอยากจะฟังความเห็นของแกและต้องการให้เจ้านายของเราทุกคนได้ยินด้วยเง่สายนิ่งเงียบไปครู่ทุกสายตาจ้องจับมาที่จอมพนเจนจรเป็นตาเดียวผู้กองคานวณแล้วหรือครับว่ากาลังฉุด ของมันน่ะประมาณสักขนาดไหนก็ไม่น้อยหรอกลําพังเราสองคนก็คงรั้งมันไม่อยู่แต่ถ้าใช้แรงอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งสิบสองคนและเลือกตําแหน่งให้ถูกจุดเราแน่ใจว่านอกจากเราจะรั้งพลังฉุดดึงของมันไว้แล้วยังอาจเป็นฝ่ายที่ฉุดถอนมันขึ้นมาได้อีกด้วยและความจริงใบของมันก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารเกินไปนักแต่ละใบก็แยกกันอยู่เป็นเอกเทศ ไม่ได้มีส่วนเข้ามารวมพลังกันได้ถ้าเช่นนั้นเราก็จะใช้กำลังของเราทั้งสิบสองคนตรงตำแหน่งที่ถูกจุดที่สุดอดีตร้อยถทกกองโจนกระเรียงกล่าวขึ้นช้าๆตามองจับนิ่งลงไปในน้ำซึ่งเห็ดมรณะดอกใหญ่น้อยบานพราวอยู่ใต้น้ำทั่วไปยกเว้นสองดอกซึ่งเขาเอาขอนไม้ทุ่มทดลองลงไปเมื่อครู่นี้ มันอันตรธานรูดดอกใหญ่ทั้งดอกหายลงไปใต้ดินอย่างเงียบเชียบอย่างปราศจากร่องรอยเรากว่าเมื่อก่อนหน้านี้ไม่มีดอกของมันบานแผ่ล่อตาอยู่บริเวณ น, นั้นน้ำขุ่นข้นคลักทำให้มองไม่เห็นพื้นตรงตำแหน่งที่มันรูดดอกหายลงไปสังเกตไม่ได้ว่าพื้นอันควรเป็นส่วนที่ก้านดอกโผล่ขึ้นมานั้นบัดนี้มีลักษณะเช่นไรและภายหลังจากหดหายลงไปใต้ดินเบื้องล่างแล้ว ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะโผล่กลับขึ้นมาสิงห์ไสยกล่าวต่อมาว่าสองคนบุกลงไปในน้ําคนหนึ่งทําหน้าที่ล่อโดยเดินไปเหยียบให้ใบมันหุบอีกคนนึงเตรียมระวังคนที่จะทําหน้าที่ล่อมีสายเชือกผูกมัดตัวไว้อีกสิบคนที่เหลือบนฝั่งคอยโรยสายเชือกตามลงไปแล้วคอยยึดให้มั่น เตรียมฉุดรังเมื่อมันหุบห่อเอาคนที่ล่อไว้แล้วพยายามจะลากลงคนบนฝั่งชักสายเชือกดึงรังไว้ไม่ต้องฉุดให้หลุดออกมาจากการถูกหอ่อแต่ฉุดยึดเพียงไม่ให้มันลากลงไปได้เท่านั้นส่วนคนที่ตามลงไปด้วยอีกคนหนึ่งจะใช้เชือกครองโคลนดอกของมันไว้จากนั้นก็ระดมแรงเต็มที่ฉุดสายเชือกเส้นที่คล้องรัดโคนดอกลากถอนมันขึ้นมาถ้ารากเบื้องล่างมันไม่เหนียวแน่นนะัก มันจะถอนขึ้นมาทั้งอยว่แต่ถ้ารากเหนียวเกินกำลังฉุดขั้วดอกจะขาดตามแรงฉุดเราจะได้เฉพาะดอกส่วนบนกับคนของเราที่ถูกมันหุบไว้ขึ้นมาไม่จำเป็นจะต้องอธิบายซำ้ำคณะเจ้านายทุกคนที่ยืนฟังอยู่สามารถจะเข้าใจได้ตามคำพูดของแองสายนั้นโดยปรุโป ร, ปรุพวกที่รอคอยฉุดดึงอยู่บนฝั่งนนะไม่มีปัญหาหรอก ปัญหามันอยู่ที่ว่าสองคนที่จะลงไปในน้ำน่ะคือใครและในระหว่างสองคนนี้ใครคือคนที่จะเข้าไปล่อให้มันหุบระตัวและใครจะเป็นคนคอยเอาเชือกคล้องให้ถึงโคนก้างเพื่อพวกข้างบนฉุดชยันถามขึ้นเ้าเฮาจอมพรานแยกเคี้ยวออกมานิดหนึง่งสุตาเจ้ากระเรียงฉุมน้ำคู่ปรับกาไม่ขัดข้องที่จะลงไปกระชั้นสองคนไม่ใช่เหรอริมฝีปากนั่นแย้มเห็นไรฟัน เสียงมากนะครับแล้ ว, ว่าแกปฏิเสธใช่ไหมถ้าเป็นความจำนงของผู้กองผมก็เลี่ยงไม่ได้แต่ว่าอะไรใครจะเป็นคนเดินเข้าไปให้มันรัดตัวล่ะครับจอมพรานหัวร่อก็แล้วแกคิดว่าควรจะเป็นใครระหว่างเราสองคนน่ะคนที่เป็นหัวหน้าและผู้นำของทุกคนครับ กระพินคงหัวเราะในลําคอเช่นนั้นเท่าทันเล่วาจาและเหลี่ยมคูซึ่งแสดงออกทุกชื่อเอาละ่ะแกไม่ต้องกังวลหรอกในข้อนั้นฉันจะเป็นคนล่อให้มันรัฐเองส่วนแกก็มีหน้าที่ใช้เชือกเข้าไปคล้องก้านดอกของมันไว้ขณะที่มันหุบรัดชัดแงาสายก้มสีสระรับอย่างสงบซ่อนกินมจอมพลานก็เคลื่อนไหวในฉับพลันนั้น เกี่ยวกับการเตรียมตัวตามแผนซึ่งกำหนดไว้คำพูดโต้ตอบระหว่างเขากับแงซรายมีขึ้นต่อหน้าคณะนายจ้างทุกคนที่ลอมฟังอยู่แล้วทั้งหมดเข้าใจวิธีการได้ดีแต่ดารินยังข้องใจอยู่เป็นอันมากรอนมองการจัดเตรียมตัวของรพินและแง่ทรายแล้วมองไปทางพี่ชายคิดว่าจะมีอาการทักท้วงหรือห้ามปรามใดๆบ้างแต่ก็เห็นเชษฐายืนมองสงบเฉยอยู่อดรนทนอยู่ไม่ได้่อนก็โผล่ขึ้น ในขณะที่พรานใหญ่กัแงซทรายกำลังช่วยกันต่อสายเชือกโดยทำให้กลายเป็นเส้นยาวสองเส้นอนี่จะไม่มีใครบอกให้สองคนนี่รู้บ้างเลยเหรอว่าการทำโง่งๆแบบนี้น่ะนอกจากจะเป็นการเสี่ยงต่อชีวิตแล้วยังหาประโยชน์อะไรขึ้นมาไม่ได้เลยเบื่องเวลาเปล่าเปล่าจะไปมัวสนใจอะไรอยู่กับเจ้าเหตุมรณะน่าขยะขยแงนั่นอยู่อีกจนถึงขั้นที่ต้องลงทุนถอนขึ้นมา ระพินชงงักนิดหนึ่งแต่แล้วก็ก้มหน้าก้มตาต่อสายเชือกของเขาต่อไปโดยมีพวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายเข้ามาช่วยกันคนละไม้ละมือชยันเองก็อยากจะสนับสนุนความคิดของดาริงอยู่เหมือนกันแต่เมื่อไม่เห็นอาการใดๆจากเชษฐายังดูสงบท่าทีอยู่ส่วนมาเรียก็ไม่มีใครสังเกตท่าทีได้ว่าหลอนเต็มใจหรือขัดข้องที่จะให้ทั้งสองลงไปจัดการกับเห็ดมรณะ ยืนมองเงียบๆด้วยตาอันเป็นประกายสนใจตื่นเต้นพี่ชายเอามือวางบนไหล่ของน้องสาวตาวอย่างรู้ใจว่าปล่อยเขาน้อยพี่เองก็อยากจะรู้อยากจะดูลักษณะของรากมันเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงอาจจะเสียงบ้างเหมือนกันแต่เราก็มีหลักการที่ดีที่จะไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นกับสองคนนั้นประเดี๋ยวเรามาช่วยกันระดมแรงดึงสายเชือกดีกว่า นึกว่าเล่นชักเยอะกันแล้วกันพวกเราอยู่บนนี้ตั้งสิบคนมันฉุดแงยสายเรือพินลงไปข้างใต้ไม่ได้หรอกและท่านหัวหน้าคณะก็ร้องกำชับไปทางพรานใหญ่กับทุกคนที่ช่วยกันผูกสายเชือกว่าป้าปมเชือกให้รอบขอบที่สุดนะอย่าให้เกิดขาดขึ้นในระหว่างการดึงเป็นอันขาดเชียละ่ะวางใจเธอนายใหญ่เสียงบุญคาร้องตอบมาทั้งทังที่สีหน้าอาการของแกก็ดูไม่เต็มใจนะัก ที่จะให้เจ้านายของแกเสี่ยงลงไปเล่นกับเจ้าเห็ดผีนั่นอีกครั้งรับรองว่าเชือกไม่ขาดแน่ต่อขึงข้ามเหวแล้วเดินเหยียบหรือโหอนไปตามสายเชือกที่ต่อไว้ก็ยังเคยแล้วเรื่องชักเยอะนะมันเรื่องเล็กเว้นแต่เราจะสู้แรงมันไม่ได้ถูกมันฉุดตกน้าไปหมดทุกคนก็ช่วยไม่ได้มาเรียเดินเข้ามาชิดดารินกระซิบว่าใจเย็นๆน้อย แพ่เดี๋ยวเราจะได้เห็นเชื่อเถอะไม่เป็นไรหรอกไพรวันกับแงซ้ายนะ่ะไม่ใช่คนโง่เลยในเรื่องแบบนี้เขาคงมองเห็นช่องทางอยู่แล้วล่ะหลนหาที่ไม่เข้าเรื่องพี่ใหญ่ก็พลอยเป็นไปด้วยอีกคนนะึงราชสกุลสาวบนสีหน้าไม่ดีนะักเมเธอว่ากำลังฉุดของไอเหตุมรณะนั่นมันจะมีสักเท่าไหร่และนอกจากแรงฉุดลงไปแล้ว จะมีพิษอะไรจากใบมันอีกหรือไม่อาจมีพิษประเภทที่ถักกระทบเนื้อทำให้เป็นง่อยเป็นอมาพาตหรือสลบไปก็ได้ผู้ชำนาญในทางโบราณชีวศาสตร์สะดุดใจคิดอยู่ชั่ววิบตาหนึ่งในคำพูดของหมอดารินแต่แล้วก็สั่นสีสักเ <c oughs> ชื่อว่าคงไม่มีพิษอะไรนอกจากใบของมันหรอกน้อยนอกจากแรงฉุดที่จะดึงให้จมหายลงไปใต้ดินเท่านั้น ส่วนรากเบื้องล่างของมันนะยังเป็นปัญหาอาจมีเซนที่ย่อยเนื้อหนังของเยื่อเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยหรืออาหารของมันในอันดับต่อไปถึงเช่นนั้นก็ตามก็คิดว่าคงจะไม่สามารถย่อยเยื่อได้อย่างปัจจุบันทันด่วนเหมือนสัตว์อื่นขบเคี้ยวอาหารนอกจากว่ารอให้เยือ่อเน่าเป่๋ยไปตามกาลเวลาแล้วก็ค่อยดูดซึมเข้าไปหล่อเลี้ยงลําต้นภายหลังขณะกล่าวอย่างไตรตรองลึก ดวงตาของแม่สาวมองจับไปยังดอกเห็ดดอกที่เห็นใหญ่ที่สุดในละแวกใกล้ๆฝั่งนั้นห่างจากสองคนที่แงซทรายโยนท่อนไม้ลงไปทำให้มันรูดดอกหายไปใต้โคลนเมื่อครู่นี้เล็กน้อยรัศมีของใบหรือดอกที่แผ่กว้างออกไปนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึงเกือบสามเมตรถ้ามันตวัดเข้าหุบหอร่างกายอันมีส่วนสูงของมนุษย์ธรรมดา ก็หมายถึงว่ามันย่อมหุบไปรอบด้านขึ้นมามิดสีสะหมดทั้งตัวทีเดียวมาเรียพยักหน้าให้ดารินดูไปที่ดอกนั้นสังเกตดูจากลักษณะความกว้างใหญ่ของใบสินะน้อยฉันกะว่าแรงฉุดดึงของมันอาจเท่ากับวัวสักตัวหนึง่งถ้าเชือกไม่ขาดกำลังพวกเราทั้งสิบคนที่ระดมกันให้เต็มที่คงจะรั้งมันไวอยู่แน่นอนแต่ไอ้ส่วนจะถึงก็สามารถถอนรากให้มันหลุดขึ้นมาได้หรือไม่นะ ยังเป็นปัญหาเพราะเราไม่รู้นี่ว่ามันอย่างรากมั่นคงลงไปในโคลนข้างใต้ลึกสักขนาดไหนดารินขอนใจมาเบาๆสั่นศรีรษะช้าๆอย่างไม่เห็นด้วยอยู่เช่นนั้นแต่ก็ไม่อาจคัดค้านอย่างใดได้อีกเพราะคนอื่นๆในกลุ่มของพวกหลอนไม่มีใครขับฝงังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ชายผู้เป็นหัวหน้าคณะทั้งหมดโดยตรงระพินกับแงท า, ายต่อสายเชือกไนล่อนเสร็จสับ ทดลองดูจนแน่ใจแล้วว่าทุกบมต่อเหนียวแน่นมั่นคงชนิดที่จะไม่มีการขาดหลุดขึ้นในการใช้พลังฉุดดึงชักเย่อกันอย่างเต็มที่แล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนเตรียมพร้อมปลดเป้หลังติดตัวและไรเฟิลออกวางไว้จนเหลือแต่ตัวเปล่าแคล่วคล่องที่สุดมีเพียงมีดหมออันคมกริบยาวประมาณศอกเศษซึ่งขอยืมมาจากจันถือกระชับแน่นไวในมือและซักซ้อมทาความเข้าใจกับคณะนายจ้างของเขาอีกครั้ง เอาละครับผมจะเอาปลายเชือกข้างหนึง่งผูกติดเอวายให้แน่นแล้วจะเดินลุยน้ําลงไปเหยียบกระทบดอกให้มันหุบรัดแง่สายนั่นจะถือเชือกอีกเส้นหนึง่งเดินตามผมเข้าไปด้วยในระยะพ้นรัศมีที่มันจะรัดเอาไว้ได้ปลายเชือกของแง่สายจะทําบวงกระตกุกเพื่อคอยจ้องจังหวะสวมคล้องดอกของมันให้ลงไปชิดก้านที่ผิวพนดินระหว่างที่มันหุบใบรัดผมเขาเกล่าวช้า เพื่อทุกคนเข้าใจอย่างทีถ่วนที่สุดสำหรับการประสานงานโดยพร้อมเพรียงชนิดคลาดเคลื่อนไปไม่ได้เลยหน้าที่ของคุณชายและพวกเราทั้งหมดที่รอยอยู่บนฝั่งนี้ก็คือคอยผ่อนสายเชือกตามการเคลื่อนไหวของผมกระแงสายไปทุกระยะประระวัางด้วยนะครับว่าอย่าผ่อนให้สายเชือกมีระยะหย่อนเกินไปนะักเอาพอตึงๆไว้ในขั้นแรกนี้ขอให้พวกเราทั้งหมดเข้าแถวกัน ในลักษณะเรียนชักเยอะจับปายเชือกไว้ให้มัน่นระวังคอยยึดรั้งด้านผมไวก่อนอย่าเพิ่งสนใจกระสายเชือกทางด้านแงซายก่อนพอมันเริ่มตวัดใบหุบรัดผมรั้งตัวผมไว้ทันทีอย่าให้มันทันลากผมจมลงไปใต้น้ำไม่ต้องออกแรงดึงฉุดจนถึงกาผมต้องหลุดออกมาพ้นใบของมันเพียงแต่ยึดดึงกันไวเท่านั้นระยะนี้เองแงซายก็จะเอาบ่วงไปคล้องใบที่หุบของมันไว จนถึงก้านชิดดินเมื่อแง่สายจัดการคล้องบวงรัดกา้านหรือคอดอกได้แล้วยังค่อยๆ ย, ย้ายกําลังของเรามาทางสายเชือกของแง่สายอย่าเพิ่งปล่อยสายเชือกทั้งด้านผมพร้อมกันทั้งหมดสัทีเดียวแต่เป็นการย้ายกําลังทีละคนเพราะเราจะเปลี่ยนจุดแรงดึงจากเชือกเส้นของผมไปยังเชือกเส้นแง่สายโดยไม่เปิดโอกาสให้มันรูดดอกหนีหายลงไปได้ พอครบกําลังคนทั้งหมดที่ย้ายจุดดึงมายังเชือกเส้นที่สองนี้แล้วก็ระดมกําลังกันอย่างเต็มที่ฉุดลากมันขึ้นมาเคลียร์ไหมครับเท่าที่ผมอธิบายมานี่ทุกคนฟังเขาอย่างตั้งใจที่สุดเชีฐากล่าวทบทวนแผนที่เขาบอกนั้นเพื่อซักซ้อมอีกครั้งกันผิดพลาดแล้วพยักหน้าโอเคผู้กองทั้งฝ่ายผมเข้าใจดีที่สุดตามแผนที่คุณกําหนดนี่แล้ว ลงมือดัดโดพินไพรวันหันไปมองแงซายแทนความหมายเสือนั่นยิ้มพรายรอเขาอยู่ก่อนแล้วในมือถือปลายเชือกด้านซึ่งทําเป็นบ่วงหูรูดไว้เรียบร้อยถอดสิ่งของสัมภาระติดตัวทั้งหลายออกจนเหลือแต่ตัวเปล่าแล้วเช่นกันเขาจึงสะบัดแขนขาทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกายอีกครั้งและเอาผ้าขาม้าสองผืนพับเป็นเบาะรอบกลางลําตัว ก่อนที่จะผูกรัดเชือกไนลอนอย่างแน่นหนาติดกับเอวโดยให้สายเชือกนั้นรัดตรงบริเวณที่ใช้ผ้าเขาม้าพัดไว้อีกทีหนึ่งกันไม่เชือกรับหรือบาดลงไปถึงผิวเนื้อเมื่อเกิดการกระชากดึงกันอย่างรุนแรงขึ้นในมือขวาถือ ก, กระชับมีดหมอของจันรพร้อมเตรียมตัวได้ครับผมจะลงเดี๋ยวนี้แหละเชีทาผู้รับหน้าที่ควบคุมอยู่บนบก ก็สั่งการกับฝ่ายของเขาในทันทีนั้นทั้งสิบคนบนฝั่งแม้กระทั่งดารินและมาเรียเข้ามาหยิบสายเชือกที่กองอยู่ข้างบนโดยเร็วทุกคนเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วที่สุดและประสานงานกันได้อย่างพร้อมเพรียงโดยไม่เกิดปัญหาอะไรมากนะักเพราะคุ้นเคยกับเหตุการณ์ดีที่สุดแล้วและด้วยความฉลาดรอบครอบของท่านหัวหน้าคณะเขาไม่ได้ให้ฝ่ายที่คุมสายเชือกอยู่บนบกทั้งหมด เพียงแต่คอยยึดสายเชือกไว้ในแนวตรงเท่านั้นแต่สั่งให้อ้อมเชือกไปพันอ้อมต้นอาโรการีขนาดใหญ่ราวสองคนโอบซึ่งยืนต้นอยู่ ใ, ใกล้ๆริมตลิ่งว้โดยใช้ลำต้นอันแข็งแรงของไม้พันที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนนั้นเป็นหลักยึดต่อต้านกับแรงฉุดของเจ้าเห็ดมรณะอีกชั้นหนึ่งแบ่งกำลังออกเป็นสองส่วนเท่าเท่ากันพวกแรกจะยึดเชือก ทางด้านที่ติดกับตัวของราพินโดยตรงอีกพวกหนึ่งจะคอยคุมปลายเชือกส่วนที่อ้อมพันต้นไม้มาแล้วและซักซ้อมให้ทุกคนรู้ว่าถ้าแม่เห็นเหลือกำลังที่จะฉุดหรือต่อต้อตานได้ให้พวกที่คุมปลายเชือกพันทบไว้กับต้นไม้ทันทีซึ่งจะเท่ากับใช้ลำต้นขนาดใหญ่เป็นหลักต่อต้านแรงฉุดอันเหนียวแน่นมั่นคงที่สุดแทนที่จะใช้กาลังของคนโดยตรงทั้งสิบซึ่งอาจจะเสี่ยงเกินไป แล้วก็บงการให้ค่อยๆโรยสายเชือกตามระพินไปขนาดพอสายตึงทุกระยะจอมพานเลี้ยวกลับขึ้นมาและเห็นความฉลาดรอบครอบในข้อนี้ของท่านหัวหน้าคณะก็ยิ้มออกมาอย่างพอใจเขาปลอดโปรง่งและไม่มีอะไรจะต้องห่วงเลยในการได้นายจ้างหรือผู้ร่วมเป็นร่วมตายอย่างอดีตนายพันโททูตทหารบกผู้นี้แงาสายเองก็ค่อยๆแย่เท้าก้าวลงไปในน้าตามหลังเขา วินระยะห่างประมาณสองเมตรปล่อยสายเชือกทิ้งไว้บนฝั่งโดยยังไม่มีใครต้องระวังยึดไว้ก่อนในขณะ น, นี้นอกจากขยินจะหยิบปลายให้ทอดยาวเป็นแนวออกไปสำหรับที่จะให้แล่นมาตะครุบได้โดยสะดวกเมื่อเกิดการเปลี่ยนย้ายแรงฉุดทั้งสองเดินตามกันมาอย่างระมัดระวังลุยน้ำอันมีระดับสูงถึงโคนขานั้นห่างตลิ่งออกไปเป็นลาดับ พยายามไม่ให้น้ำกระเพื่อมหรือมีอะไรกระโตกกระตาขึ้นเลยกำหนดหมายตาของระพินก็คือต้องการจะบ่ายหน้ามุ่งไปยังเห็ดมรณะดอกใหญ่ที่สุดและใกล้ที่สุดอันเป็นดอกเดียวกระที่มาเรียสกิจชี้ให้ดารินดูเมื่อครู่นี้เองทันทีนั้นเสียงลอยๆของใครคนหนึ่งก็ดังเรียกมาทำให้จอมพลานชะงักนิดนึงเอี่ยวคอหันกลับไปดูก็เห็นดารินวราริก ยืนมองบอกกันให้รู้ล่วงหน้าหน่อยสิว่าคุณสามารถหายใจในน้ําได้สักกี่นาทีในกรณีที่มันฉุดคุณลงไปต่ำกว่าระดับผิวน้นานําบนท่านใหญ่ยิ้มออกมานิดหนึ่งอย่าล้อเล่นนะครับคุณหญิงพยายามรั้งตัวผมไวย้ย้ายศีรษะจมลงไปกว่าระดับน้ําได้นะ่ะเป็นดีที่สุดผมหายใจในน้ําไม่ได้เลยแม้แต่นาทีเดียวแล้วก็กั้นใจไม่ได้นานด้วย รออ๋อถ้างั้นก็คิดส่ดีนะถ้าจะถอยกลับขึ้นมาซะก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกต้องการจะโชว์ความเป็นวีรบุรุษให้ใครเห็นไม่ทราบมอดารินร้องบอกมาหน้าตาเฉยอีกประโยคหนึ่งชายันเกาหัวทำหน้ายู่ยี่น้อยนี่อะไรก็ไม่รู้สิคนกาลังจะทำงานพูดแย่นู่นแย่นี่ทำลายขวัญอยู่ได้หุบปากสัทีเถอะปุกองไม่ต้องห่วงหรอก ถึงยายนี่ก็ไม่ช่วยคุณพวกเรายังอยู่อีกตั้งเก้าคนไม่ปล่อยให้มันดูดคุณหายลงไปได้หรอกประโยคหลังเขาตะโกนบอกกระพินลงไปจอมพรานไม่หันมาสนใจอะไรอีกและท่ามกลางการเฝ้าจับมองของพรรคพวกบนฝั่งทั้งเขาและแงซายเดินเว้นระยะตามกันในแนวตรงเคลื่อนหางอย่างแช่มช้าออกไปทุกทีเฉถาก็คอยทาหน้าที่ให้สัญญาณพวกบนบก คอยผ่อนสายเชือกตามไปทีละน้อยแถวของการคอยจับยึดเชือกวายนั้นคนแรกคือเจ้าองคุรีมานแห่งหล่มช้างขยินซึ่งร่างกายสูงใหญ่กำยำยิ่งกว่าใครทั้งสิน้นบักหลักยืนรังงานมืออันแข็งแรงทั้งสองกระชับสายเชือกไวแน่นคนถัดมาก็เป็นชายยันจันบุญคำและเกิดครบตามจำนวนห้าคนของห้าคนชุดแรก จากนั้นสายเชือกก็ถูกพันโอบลำต้นอารการียหักทิศทางย้อนกลับมีเสยสางปาสองคนยืนประจำรอคอยจังหวะอยู่ส่วนเชษฐามาเรียและดารินอีกสามคนนั้นขณะนี้ยังไม่ได้จับสายเชือกไว้เพียงแต่ยืนระวังคุมเชิงอยู่เท่านั้นและพร้อมที่จะเข้าร่วมแรงช่วยเซยกับสางปาได้ทันทีเมื่อเวลาสาคัญมาถึงทุกคนคอยฟังสัญญาณจากเชษฐา ซึ่งคอยบงการควบคุมอยู่ตลอดเวลาสัมภาระที่จะเกะกะรุงรงังถูกปลดออกมาหมดสิน้นแม้แต่ไรเฟิลประจำตัวก็วางพิงไว้ใกล้ๆเมื่อเรียงกำลังตามลำดับรายตัวตามแปลนไว้แน่นอนแล้วเช่นนั้นเชษฐาก็วางแผนกำหนดสั่งต่อไปว่าเมื่อถึงเวลาที่จะย้ายกำลังชุดรังสับเปลี่ยนไปยังเชือกสายของแงสายนั้นให้พระย้ายไปตามลาดับบุคคลอย่างเป็นระเบียบ เพื่อรักษาพลังชุดรังเชือกเส้นของระพินไว้ด้วยโดยไม่ถึงกับปล่อยยางหัวผภาทีเดียวผู้ที่จะพละจากเชือกเส้นของระพินไปเป็นคนแรกคือขยินต่อมาก็คือชยันจันบุญคำและเกิดทยอยกันไปตามลำดับเพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดชุดด้านหน้าทั้งห้าคนที่ถอนกำลังไปอีกห้าคนด้านหลังก็ยังได้อาศัยลาต้นอโรการีเป็นหลักช่วยผ่อนแรงอยู่อีกชั้นหนึ่ง แล้วจึงทยอยเคลื่อนย้ายตามหลังไปเป็นระลอกที่สองตามลำดับอีกเช่นกันแผนตามคําสั่งของเขาพวกพรานพื้นเมืองทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีแม้แต่ขยินและสั่งปาพราะบุญคําทําหน้าที่ล่ามอธิบายให้เจ้าสองคนทราบว่านายใหญ่สั่งเช่นไรทุกคนขณะนี้แลเห็นพรานใหญ่ไปหยุดอยู่ตรงบริเวณน้าขุนอันเป็นตาแหน่งที่เห็ดมรณะสองดอกรูดหายลงใต้เลนไป ขณดที่แงซทรายโยนขอนไม้ลงไปใส่และมีอาการเหมือนจะใช้เท้าเคีย่ยวควานหาอะไรอยู่ตรงนั้นขาวหน้ามีแววครุ่นคิดพิศวงเออไรขึ้นเหรอระพินเชิดทาร้องถามลงไปโดยเร็วตรงโคนก้านของดอกที่รูดหายลงไปเมื่อตะกี้นี้รู้สึกว่าจะเป็นโพรงหรือหลุมลึกลงไปใต้ดินมากทีเดียวครับเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมนกว้างรวมสามฟุต ลักษณะเป็นหลุมกลมดิกทีเดียวเสียงก็ารายงานขึ้นมาอย่างตื่นเต้นระวังนะอย่าพยายามแหย่เท้าย่างลงไปเชียวชายันร้องมาอย่างละล่ำละลักตกใจพบส่วนของดอกที่เป็นส่วนของดอกของมันบ้างไหมท่านหัวหน้าคณะถามเร็วปรือมาอีกไม่พบเลยครับเพราะแต่ปากหลุมเป็นดนิเหลวๆกลวงๆ ล, ลงไปข้างใต้แล้วครับ เขาตอบมีอาการเหมือนจะพยายามใช้เท้าอย่างอย่งอย่งใหญ่แล้วบอกมาทันทีว่าตัดไม้ยาวๆโยนไหมผมสักท่อนนะครับผมจะทดลองเอาไม้ใหญ่ลงไปว่ามันจะลึกสักแค่ไหนข้างใต้ลักษณะเป็นยังไงเชีารวดเร็วทันการเสมอปราดตรงไปที่พงไม้ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆเลือกตัดได้กิ่งยาวตรงแนวกิง่งนึงออกมาลิดกิ่งและใบเล็ก ที่งอกออกรอบด้านจนหมดจนเหลือเป็นลำยาวประมาณสองวาเษิษแล้ววิ่งกลับไปชิดชายตลิงโดยเร็วพุ่งไม้ลำขนาดข้อมือนั้นไปปักสวบลงตรงหน้าของระพินผู้รอคอยอยู่ระพินเม้มริมฝีปากนิดหนึ่งเหน็บมีดที่ถืออยู่ในมือไว้ที่เอวแล้วช่วยไม้ยาวที่เชิดทาพุ่งมาให้ถือกระชับไว้ทั้งสองมือยกมือค่อยๆกดแย่ปลายด้านหนึ่งต่ำลงไปยังพื้นน้าตรงหน้า ซึ่งคงจะเป็นบริเวณหลุมที่เขาค้นพบทั้งหมดเห็นเขา ก, กดปลายไม้จมลึกลงไปเป็นลำดับจนกระทั่งมือที่กำด้านปลายสุดอีกด้านหนึ่งต้องกดจมมิดหายลงไปกว่าระดับน้ำและตัวพรานใหญ่เองก็อยู่ในลักษณะที่ต้องก้มหน้าเกือบจะจุ่มลงไปในน้ำด้วยโอ้โหลึกถึงขนาดนั้นทีเดียวเหรอพินเสียงชายันกับเชิดาอุทานออกมาอย่างตกใจพร้อมกัน ดารินกับมารีก็เบิกตาโพลงจ้องหัวใจเต้นแรงต่างเห็นจอมพลันหยุดชะงักเหมือนจะลังเลอยู่นิดนึงแล้วก็ก้มต่ําลงไปอีกถึงพื้นข้างใต้แล้วล่ะครับเสียงเขาบอกมาเบาๆควานไม้ที่ปักลงไปขยับยังอยู่ไปมามีลักษณะของมันหยุ่นๆ ย, ยังให้บอกไม่ถูกเมื่อการเหมือนจะเคลื่อนไหวได้นิดหน่อยด้วยครับไม่ทันจะขาดประโยคเขาก็อุทานเฮยออกมาคํานึาานง ยังตกใจพระง ạ ถอยหลังมาสองเก้าทำให้พวกที่ยืนคอยฟังข่าวจ้องขมิงอยู่บนฟังผวาไปตามๆกันร้องถามลั่นเป็นเสียงเดียวทำไมนะมีอะไรเหรอจอมพรานทำหน้าพิกดเอาแขนเสื้อป้ายน้ำที่กระเซน็นมาเปรอะใบหน้าท่าทางขยับขย้งขนลุกขนพองมันหดตัวพรวดพลาดขยับหนีลึกลงไปอีกครับอาการเหมือนถูกไม้ไปเขีย่ยถูกขอยทากยางนั้นล่ะครับ ถ้ามจะไม่เข้าทีสละมั้งผู้กองคุณกะเงี้สายถอยกลับคุณมาเถอะเลิกลงความตั้งใจเดิมซสดีกว่าเชี่าชักไม่สบายใจเหมือนกันบอกลงไปเสียงต่ำๆพร้อมกระบอกมือเรียกเดี๋ยวครับเดี๋ยวใจเย็นๆไว้ผมคิดว่าไม่การะไรนักหรอกระดับที่มันหดลึกลงไปใต้เลนประมาณวาเซเท่านั้นเองที่เห็นว่าลึกมากก็เพราะไม้อันนี้ ต้องอย่างผ่านผิวน้ำข้างบนลงไปด้วยถ้าจะวัดจากปากช่องชิดพื้นดินนี่มันก็ไม่ลึกมากนะักและอาการของมันขยับหนีหดลงไปได้อีกนิดเดียวเท่านั้นพร้อมกับตล่าวเขาก็ดึงไม้อันนั้นขึ้นมาชูดูเนื้อสีสัให้ทุกคนมองเห็นมันเปียกน้ำจมตลอดทั้งท่อนอันยาวเหยียดก็จริง แต่ระดับที่เปื่อนโคลอนอันหมายถึงบริเวณที่ยังจากปากโพรงลงไปสู่ก้นเบื้องล่างใต้ดินนั้นมีระยะอยู่ราวไม่เกินสองเมตรไม่มีใครสามารถทายใจหรืออ่านความนึกคิดของเขาถูกต่อมาก็เห็นเขาหักไม้ท่อนยาวนั้นออกเป็นสองท่อนปักให้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำตรงตำแหน่งปากโพรงทั้งสองแห่งเพื่อเป็นสัญญาณให้รู้ว่ามีหลุมลึกอยู่แล้วชี้ไปให้แงซายกาหนดตาไวแทนคาเตือน ไม่เดินหลวมตัวเหยียบหล่นลงไปในหลุมนั้นตามแผนเดิมนะครับผมจะเข้าไปตรงดอกที่เห็นอยู่นั่นเดี๋ยวนี้นั่นเป็นประโยคสุดท้ายของเขาก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนต่อเฉษาก็สุดที่จะเหนียวรังได้ทั้งๆ ท, ที่เกิดความไม่เต็มใจขึ้นมาซะและ้วยางไรก็ตามเขาเชื่อมือบุคคลผู้นั้นอยู่เต็มที่แล้วจึงโบกมือสัญญาณไปยังพวกพ้องให้เตรียมคอยระวังประจำที่ตามเดิม เสียงดารินครางออกมาว่านี่แหละที่เ็าเรียกว่าสันดานทรานละ่ะล่าหมดทุกชนิดแม้กระทั่งสิ่งอันลึกลับน่ากลัวที่สุดทั้งๆ ท, ที่ตัวเองก็ยังไม่สามารถจะรู้จักหรือเข้าใจได้แน่ชัดว่ามันเป็นอะไรบัดนี้คนที่ถูกบ่นว่าไม่ได้ยินเสียงบน่นหรือหัวใจอันเต้นระทึกสัน่นด้วยความเป็นห่วงของใครทั้งสิ้นหลากสายเชือกลุยน้าตรงเข้าไปหาเป้าหมายอย่างเยือกเย็น และด้วยหัวใจอันมั่นคงแน่วแน่ที่สุดฝากชีวิตของตนเองไว้ในกรรมือของพวกพ้องบนฝั่งโดยสิทธิ์ขาดแงาสายย่างตามาเป็นเงาทางเบื้องหลังเว้นระยะเท่าเดิมโดยเดินหลีกหลบหลุมที่พรานใหญ่ปักเป็นเครื่องหมายให้เห็นอีกประมาณไม่เกิน3 4สี่เก้าจะถึงขอบดอกด้านนอกสุดของเห็ุมรณะที่บานอ้าเขียวขจีอยู่ใต้น้ารพินชักมีดหมอของจันออกมาถือไว้ในมือ ผมสำรวจเงื่อนของเชือกที่ผูกเอไว้อีกครั้งเพื่อความแน่ใจที่สุดว่ามันยังมั่นคงเป็นปกติดีอยู่หลายต่อหลายครั้งที่นักพจนภัยอย่างเขาเข้าถึงความจริงของคำพังเผยที่ว่าชีวิตแขวนอยู่บนปลายเชือกและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับเชือกโดยตรงถ้ามันขาดมัตติราเท่านั้น ที่จะบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดบนฝั่งเงียบกริบแทบไม่หายใจในระยะใกล้ที่เคลื่อนเข้ามาหยุดยืนดูเจ้าสิ่งหน้าสะพึงกลัวอย่างลึกลับชนิดที่แยบลายเท้าก็ถึงระพินไพรวันมีโอกาสสังเกตเห็นลักษณะของมันโดยแลผ่านทะลุน้ำใสลงไปได้อย่างถนัดพื้นใบหรือดอกของมันเขียวราวกับตะไคร่น้ำ แ ล, และดูน่าจะอ่อนนุ่มเหมือนกรัรมมี่ขอปลายสุดมีส่วนหนาประมาณนิ้วเศษเป็นริ้วจีบคล้ายดอกจกักขอบดอกรอบด้านตวัดโค้งงอนขึ้นเล็กน้อยบ่งลักษณะให้รู้ชัดว่ามันพร้อมที่จะรวบหุบได้ทันทีอย่างสะดวกสบายมีขนเส้นยาวๆเหมือนรากสารายพริ้วใส่น้ำมีขนเส้นยาวๆเหมือนรากสาราย พลิ้วสายลู่น้ำอยู่ไปมาบนผิวของใบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใจกลางของมันเป็นช่องกลวงลึกลงไปลักษณะเป็นสีเข้มจนแลดดำมืดอย่างน่าวาดระแวงช่วงกลวงกลางดอกนั้นไม่มีปัญหาเลยมันเป็นช่องทางกว้างขวางพอที่จะสูบและดูดร่างกายขนาดมนุษย์ให้ลงไปสู่ก้านเบื้องล่างได้อย่างสบายโดยประสานสัมพันธ์กับขอบดอกโดยรอบ ที่หุบรวบเข้ามารัศมีของดอกที่แผลกว้างออกไปเป็นวงกลมรอบด้านนั้นก็อำํำนวยให้อยู่แล้วเพราะมันมีระดับเทลาจากขอบลงไปสู่ใจกลางพร้อมหรือยังแง่าสายเขากระซิบถามไปเบื้องหลังโดยไม่ได้เหลียวกลับพร้อมครับผู้กอจอมพลานสูดลมหายใจเข้าปอด แล้วทันใดก็ย่างเท้าเหยียบขึ้นไปบนขอบดอกของเจ้าเห็ดมหสัสัจรย์นั้นทันทีงงงนันผิดคาดหมายไปอย่างยิ่งเขาเก้าวเข้ามาเหยียบยืนอยู่บนขอบดอกอันสัมผัส บ, บอกให้ทราบว่ามีลักษณะเหมือนขึ้นมายืนอยู่บนแผ่นหนังกระด้างกระด้างของมันก็หาได้เกิดปฏิกิริยาใดๆทั้งสิน้นเจ้าเห็ดดอกนั้นยังคงแผ่ดอกอยู่ในสภาพปกติเดิมของมัน พระพินภพยวันขมวดคิ้วอย่างแปลกใจขีดสุดท่ามกลางหัวใจของตอนเองที่เต้นระทึกสัน่นเตรียมรับเหตุการณ์ค่อยๆขยับเท้าในน้ำก้าวเข้าไปอีกอย่างทำนายอะไรไม่ถูกสองก้าวแล้วก็สามก้าวปัดเข้าสู่ใจกลางดอกอันแลเห็นเป็นโพรงอยู่นั้นจนกระทั่งล่วงเข้ามาถึงครึ่งของรัศมีกลีบดอกปัจจุบันทันด่วนนั้น ความรู้สึกของตอนเองก็เหมือนกับว่าถูกธรณีสูบ ป, ประสาทหูสัมเนียกเสียงฮวบสนั่นเหมือนใครเอากระด้งขนาดใหญ่กระพือเข้ากระทบกันสัมผัสทางกายที่ร่หนักชัดว่าตนเองยือนอยู่นั้นบัด น, นี้เสียหลักเอียงวูบลงไปหาส่วนที่เทลาบและเหมือนจะมีพลังมหาศาลอะไรบางชนิดดูดวูบจกักษุประสาทที่เลยเห็นทองฟ้าอันสว่างอยู่ก็พลันมืดวับเหมือนมีม่านเข้ามาตลบขึงกั้นอย่างรวดเร็ว กระดูดอุ้งหัดของประการแล้วพร้อมกันก็แววเสียงตะโกนกึกกล้องบนฝั่งจากพักพวกว่าชุดไว้เร็วทุกสิทุกอย่างมันสับสนอลลวันไปหมดในความรู้สึกเหมือนพลัดห ล, ล่นไปในนรกนี้จําได้แต่เพียงว่ามือซึ่งถือมีดเตรียมพร้อมอยู่แล้วเสือกพรุนสวนเขาหาสิ่งที่มันหุบหอ่อก็มาท่วมสีรษะนั้นอย่างเต็มเหนืยวพร้อมกับแวะกระชากมันออกไปซึ่งสัมผัสของคมมีดที่ปะออกไป ไม่ผิดอะไรกับทะลวงเข้าใส่หนังหนาหยุ่นๆยุนตัวเองกำลังจะถูกดึงจากพลังฉุดเบื้องล่างจมลงสู่ใต้พื้นผิวน้ำและพร้อมกันก็มีกำลังฉุดอีกด้านหนึ่งจากเอวพยายามจะดึงรังไปในทิศใดทิศหนึ่งในระดับมุมทะแยงกับพื้นน้ำด้านใต้อึดอัดหายใจไม่ออกประดุดอยู่ในห้องมืดแคบที่มีมือหยุนยุนย น, นับร้อยพันอัดแน่นเข็นบีบเข้ามารอบด้านไปหมด ชนิดแม้จะร้องก็ยังร้องไม่ออกเบื้องนอกกลางสายตาอันตื่นพรองของพรรคพวกทุกชีวิตซึ่งรอคอยนาทีวิกฤตนี้อยู่แล้วไม่จะรู้กันล่วงหน้าภาคธีรากฏได้เห็นกับตาก็เทิจะทําให้เลือดในกายจับเป็นก้อนทุกคนเห็นร่างของจอมพรานหายวับไปกับตาเรากับเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นโดยการตวัดวัดขึ้นหัวหุ้งของดอกเห็ดมริตยู ที่กระดกขอบทุกด้านขึ้นมาอย่างรวดเร็วพร้อมเพรียงกันผลระดับน้ําที่มันเคยจมแช่อยู่และดูเหมือนคอมาคือมาอะไรชนิดหนึ่งกลืนเอารพินไพรวันไว้ภายในพร้อมกันก็พยายามจะลดตัวมุดลงน้ําเสียงทิตะกรสั่งการเป็นเสียงของเชี่ฐาลคนแซ่สําไปด้วยเสียงอุทานยังตกใจลืมตัวของทุกคนและพริบตาต่อมาทั้งสิบคนบนฝั่งก็ออกแรงฉุดรังสายเชือกนั้นไว้อย่างสุดกําลังที่มีอยู่ โดยมีขยินเป็นหัวแรงอยู่ด้านหน้าวูบแรกทั้งสิบคนที่มีอาการเหมือนเล่นชักเยอะตกอยู่ในสภาพรวนเรระสําระสายกันไปหมดเพราะพลังของเจ้าเห็ดมรณะที่พยายามจะลดตัวลงใต้ผิวน้ำภายหลังจากห่อเอาพรานใหญ่เข้าไปแล้วมันหดตามกา้านดอกของมันลงไปได้ร่วมสองฟุตทำให้คนเหล่านั้นหัวปากหัวตามราวกระชังฉุดและกาลังดึงอยู่ปืดปดด้วยพลังมหาศาล พยายามจะลดต่ำลงไปอีกให้ได้พันเชือกรอบต้นไม้ไว้เชื่ถาร้องเสียงหลงเมื่อรู้สึกว่าสายเชือกทั้งฝ่ายตนกําลังจะถูกดึงเคลื่อนตามลงไปทุกทีเพราะแต่ละคนยังตั้งหลักไว้ไม่ได้ถนัดและเมื่อนั้นเองมาเรียกับดารินผู้ถึงถือเชือกไว้ในส่วนปลายสุดก็ฟ้าสายเชือกวิ่งวนพันรอบต้นอโรการียอย่างรวดเร็วทันทีที่ส่วนของเชือกพันรอบต้นไม้ยึดไว้ได้เป็นหลักมั่น พลังชุดดึงของไอเหตุปีศาจก็หยุดชะงักอยู่เพียงแค่นั้นแต่เชือกที่ขึงโยงระหว่างมนุษย์กับพืชมรุตยูซึ่งกาลังพยายามจะดึงเหยื่อลงไปเบื้องล่างบัดนี้ตึงเปรยะดอกที่หุบสนิทของมันจมหายลงไปใต้น้ำได้ครึ่งดอกไม่มีใครสามารถจะบอกได้ถูกว่ารพินไพรวันถูกกดจมลงไปใต้น้าแล้วหรือไม่เพราะมองไม่เห็นภายในกลีบอันหุ้มห่อหนาแน่นนั้นไอเงส ย, ยไอชิบไย มึงยืนโดหาโหอกอะไรอยู่ทำไมไม่เอาเชือกคล้องดอกมันไว้มันกลิน้ามึงก็ไปแล่วไม่เห็นเหรอตาพรานถท่าบุญคำแผ่ตะโกนสุดเสียงขณะที่ออกแรงดึงสุดริ้จนขี้ถัดแตกเท่าที่ทุกคนเห็นแงสายเจ้าคนลึกลับคนนั้นยืนสงบอยู่เบื้องหน้าของดอกเห็ดมริตยูที่หุ้มห่ออรพินไว้ดูเหมือนกาลังจะทาอะไรอยู่กระวงในมืออย่างใจเย็นเป็นทองไม่รู้ร้อน